ความแตกแยกเนี่ยทำให้ตัวจิบหายตายโหงกัเนเองความแตกแยกเคยได้ยินม่ประวัติของพวกคุณคงจะได้เรียนเรื่องนี้เขามีนิทานคําว่านิทานเนี่ยเคยได้ยินบางบางสิ่งบางอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเคยเล่าให้ลูกเขฟังงูตัวเดียวมีหัวกับหางหัวกับหางทะเลาะ ก, กันวันหนึ่ง เคยได้ยินไ ม, ไม่เคยได้ยินงูตัวเดียวผิดกันได้เถียงกันได้ทะเลาะ ก, กันได้หัวกับหางหัวก็ว่าเคยเป็นผู้นําใหญ่แนละู้นํามึงมาทุกวันทุกวันอวันนี้วันเนี้อ่ะผูไม่ไปกับมึงไนอะ ห, หางก็ไม่ไปกับมึงนะมันทะเลาะ ก, กันขึ้นมาหัวกับหางงูตัวเดียวทําไมทะเลาะ ก, กันได้แล้วก็คิดเอาเองเนื่องจากเราไม่ได้ดูตัวเราเองเราไม่ได้มองทะลุลไปถึงจิตใจคือมันเลวเกินไป ถ้าพูดตามภาษาสมัยใหม่ไอ้หลพอพูดไม่เป็นหลวงพอพูดเป็นแต่ภาษาที่หลวงพ่อเคยได้ยินได้ฟังพอแม่เคยเล่าให้ฟังวันนี้ก็าหางก็ไม่ไปกับหัวแบบนี้เอ้ามึงไปกูไม่ไปถ้าไปให้กูนำํำเอ้เธอจะนําได้ทําไมเธอไม่มีหัวไม่มีตาไม่มีหูเดินได้ทำไมเอ้มามึงไม่กูปบบมึงไม่ให้กูนำกูก็ไม่ไปกับมึงเถียงกันเอ๊ะเธอไม่มีตาจะเดินได้ทำไมเน่ย มึงไม่ให้ปู่นำปูก็ไม่ไปกับมึงมันเอาหางไปกาะต้นไม้ไว้ผ่านมันกับต้นไม้นะเอาหางเกี้ยวต้นไม้เคยรู้ไหมใครๆเคยรู้เอาเอาเอาหัวเกี่ยวไม่ได้นะอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวต้นไม้พอดีหางมัเกี่ยวต้นไม้แล้วหั ว, วก็ไปแล้วไปมันก็นไปไม่ได้นะหางไม่ไปด้วยนีงเข้าใจที่หลวงพ่อพูดนี่คิดให้แน่นอน พอเดืหางไม่ไปหัวมับดิ้นดอกแดกดอกแดกอยู่มันก็หิวเข้าทุกวันทุกวันหิวเข้าเลยไม่ได้ไปแล้ยเมื่อไม่ได้ไปมันก็หิวทอมันหิวมันไม่ได้กินไม่ได้กินกับโกรธเลวบัตหัวมันก็โกรธเลยมันมันไม่อยากตายมันก็โกรธขึ้นมามึงทําไมไหมมึงมึงทําไมจะไม่ให้กูไปเลยกูไม่ไปกับมึงมึงจะไปกับไปตี้หัวกูไม่ไปนะหางมันไม่ยอมไปไม่ปล่อยไปแล้วอ้าวบัตนี้แบบมันหิวอ้าวมึงจะพากูไปกับไปบัตเนี้ยกูยอมมึงอ่ะ มันให้กูไปกูกับไปเลยมันกลับมาหาไปพอเดี๋ยหามันแกะอจากหลักแล้วมับเดินไปออหางไปหางก็นํำหัวไปหางมันไม่มีตานะเข้าใจไหมไม่มีตาไม่มีหูหางกําแหลมไปมันก็พาหัวไปหัวก็ค่อยตามหางไปมันไปเจอกองไฟพอดีกองไฟมันลุกอยู่หางมันไม่รู้เนี่ยมันไม่มีตา แต่มันอวดดีหางมันอวดดีแต่มันไม่เคยมีตาเลยหูมันก็ไม่มีเสียงไฟลุกวืบๆอย่มันก็เข้าไปเลยมันก็ชาหัวเข้าไปมันก็เดินไปเดินไปหามันตามไปคองไฟมันเดินไปไม่ไหวมันมันคองใหญ่คองไฟผลที่สุดหางมันดึงหัวเขาไปตายทั้งหัวทั้งหางัวกระตายหางกระตายอันนี้นะให้เราเข้าใจเอาไว้นังนั้นอยากให้มีระเบียบเรียบร้อยถ้าเราไม่มีระเบียบเรียบร้อยแล้วผมรู้นั้น จะพาเราผิดน่าผิดหายไปอันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อ น, นำมาพูดเนี่ยผมรู้นะถ้าผิดไปจับคํำผมรู้ที่พระพุทธสอนเอาไว้แล้วมันก็คุ้มครองใจแล้วก็ไม่ได้ที่ว่าฮินลิคมละอายแก่ใจโอตระปะคาคนเกณฑโอตรบากรรมเนี่ยคือเราไม่มีคมละอายเราทําเราพูดเราคิดอะไรเราไม่ค่อยมีคมละอายคือว่ามีคนรู้ในบางคนแต่ไม่ใช่พวกเรานะ่ ที่หลวงพ่อเคยเห็นเห็นมาเดี๋ยวนี้ลูกไม่เคยฟังคลพ่อคนแม่มีแล้วลูกศิษย์ไม่เคยฟังคุครูบาอาจารย์ก็มีแล้วแม้ครูบาอาจารย์ข่มเหมือนกันไม่เคยฟังคุลูกศิษย์ก็มีแล้วเนี่เป็นย่าเนี่ยไม่ไม่เคยเชื้อถือกันเลยแต่คือใช้ตามอารมณ์มวูบวาบทีเดียวเท่านั้นผลที่สุดทั้งสองทางในจมด้วยกันทั้งหมดเหมือนกับหัวงูของน้ำมันเองดังนั้นเราทําอะไรพูดอะไรต้องอาศัยคําสอนมากกว่า พระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราไม่อาศัยคําสอนของพระพุทเจ้าจริงๆแล้วเราจะมีทุกข์ตลอดไปแมื่ชีวิตของคนนี้เกิดมาเป็นคนทั้งชาตินะถ้าหากชีวิตมีทุกข์แล้วจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยความทุกข์มันก็ไม่ได้มีแต่เราไปทําให้มันทุกข์ขึ้นเท่นั้นเองอันนี้เราเข้าใจยังให้เราเข้าใจจริงๆแต่ความทุกข์ไม่มีหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆแล้ว อาจารย์สุรีอาจจะได้ยินบ่อยนะได้ยินบ่อยนะกับคุณอุมาพรเนี่ยจะได้ยินหนูพูดพูดนคุณคงจะได้ยินบ่อยนะความทุกข์ไม่มีแต่เราไปสร้างความทุกข์ขึ้นให้มันมีขึ้นมาเพราะเราไม่เคยดูใจลเลยเนี่เราจะทําลงไปเนี่ยมันจะเหมาะสมกับเราไหมเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ยังให้เราคิดเรื่องนี้เห็นไหมอย่างที่วันนี้กับหนูไปทํางานในบริษัทเลย ไ, ไหมนี่ ไอ้หนูอย่าไปเป็นครูไปสอนนักเรียนนลไปเป็นนักไปเป็นสอนนักเรียนคงจะสบายพอทํางานในบริษัทอ่ะนี่มันคิดบูกขึ้นมาเมื่อคิดบูกขึ้นมาตัดเต้นปุ๊บไปเลยนี่มันไม่ได้เราต้องคิดว่าเออทํางานในบริษัทเนี่ยเป็นยังไงเมื่อเราออกไปเป็นครูน like ี่เป็นยังไงเต้องคิดเราทํางานอยู่ในบริษัทห้างร้านก็ทําให้มันสบายสบายเมื่อเราจะออกจากบริษัทห่งร้านนี้ไปเราจะไปเป็นครู ก็ไปเป็นอย่างสบายๆนี่เองเนี่ยนลวงพ่อเคยไปถ้าเราทํางานในบริษัทท้างร้านมีความทุกข์อยู่แล้วไปเป็นครูก็จะทุกข์เหมือนเดิมนั่นเนี่ยนะเพราะเราไม่รู้อันนีนะ้ให้เราระวังดีๆให้กลัวบาปจริงคบาปแล้วอันอยากหนีจากบริษัทขบ่าแล้วอยากหนีจากครูขบ่าแล้วนะพู้เริ่มนี้อาจารย์สีหรือใครๆก็าตามเนี่ยที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนลวงพ่อเคยได้ยินคนไปพูดอะไรกับหลวงพ่อหลวงพ่อจาได้ <c oughs> คุณก็เคยพูดเนี่ย คุณท <c oughs> ้าวเวกีเกนี่ยก็เคยพูดเหมือนกันนะทำอ น, นันต์เดียหลวงพ่อไม่เคยพูดอย่างนั้นแต่ให้คิดให้ดีพราะเรารักกันไม่ใช่รักอะไรคือว่าเราคิดถึงว่าชีวิตทุกชีวิตเหมือนกับชีวิตของรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักชีวิตของเรากับชีวิตของคนอื่นนะดังนั้นชีวิตของเราจริงๆเนี่ยมันไม่เคยมีทุกข์เลยอันที่ทุกข์นั้นไม่ใช่ชีวิตของเราไม่ใช่จิตใจของเรา อันจิตใจของเราจริงๆเนี่ยมันไม่ทุกจริงๆลองมองไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยสภาพเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาคุณเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จิตใจใใเฉยๆแล้วคุณทำเพียงเฉยๆอาเป็นยังไงหนูๆๆเออเนี่ยลักษณะชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดมาเนี่ยเรารู้จักท้องแม่มามันเป็นอย่างนี้ตลอดวันที่เราไปทํางา น, น่ะไม่พอใจมีไหมเนี่ยๆๆๆๆ เนี่ยไม่ใช่สิทธของเรานะ่นมันทุกข์เราต้องดูลงไปที่ตรงนี้ทีเดียวเราดูไปที่ตรงนี้แหละเอ๊ะมันทุกข์ขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรมันคิดขึ้นอันที่มันคิดวูบขึ้นมาเราไม่เคยดูไม่เคยเห็นวันนี้ก็มีหลายคนหลวงพ่อเดินไปให้ดูควมคิดตัวเองบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องของคิดแต่พวกท่านนเป็นนักศึกษาเรียนมาดีเรียนปริยต ร, ยรีปริยโทปริยเอกมาแล่มก็ต้องมีความรู้ดีนะ แต่เราเยังไม่เคยดูที่ตรงนี้อันนั้นมันเป็นเครื่องประดับเหมือนกับแหวนกับเพชรนี่ยมาประดับยี่ก้อยไม่ได้ต้องประดับยี่นาเยหน้าที่ของบัดนี้คมรู้แล้วน่ยต้องมาประดับเมื่อประดับตัวนี่ได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยมันต้องเอาธรรมะไปประดับมันต้องหาเครื่องประดับมันจ ร, ริงๆด้วยธรรมะคาว่าธรรมะเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นตัวหนังสือก็ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือหรือจะเป็นพระพุทธรูปก็ไม่ใช่ตัวพระพุทธรูป หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียก็ไม่ใช่ธรรมะคือตัวของคนนะั่นคือธรรมะแล้วว่าทําดีทําดีก็คือคนทําทําชั่วก็คือคนทาทําดีใครทําแต่ร่างกายมันเหมือนใช่เป็นหนังทำไปร่างกายมันจะทำคือใจมันทําใจมันสร้างออกมาให้ร่างกายทําคือให้รูปทําอย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้ก็ใจมันสร้างให้หลวงพ่อพูดให้มันเอา เอาคําพูดเด้มาพูดให้คนฟัง น, นด้นว่าเราเคยเห็นใจเราไหมเราไม่เคยมองลงที่จิตใจจริงๆหลวงพ่อเองอันเนี้ยหลวงพ่อพูดความจริงใจหลวงพ่อมาเกิดมาจากทองแม่มาอายุ46ปีหลวงพ่อจะมาเห็นใจหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่เคยดูจิต ด, ดูใจมีแต่คิดพูดจะคิดเมื่อไรเวลาใดหลวงพ่อไม่รู้สมมุติอยากสูบยาหลวงพ่อสูบไปเลยอยากกินเหล้าหลวงพ่อก็กินไปเลย อยากไปเล่นเราพกไปเลยอยากไปอะไรไปอะไรมันคิดขึ้นมาวูบเดียวไปกับมันเลยอันนี้ส่ว่าเราไม่มีผมไหลเราต้องดูมันดูมันให้มันเห็นมันมันคิดขึ้นมาเราต้องมองต้องดูต้องรู้มันจะทําอะไรมันใจมันสั่งขึ้นมาสวัสดิ์ทิทิทิมานะอะไรหลายเรื่องคือมานะคือถือเนื้อถือตัวทิศทิแล้วผมเห็น คือมันเห็นไปแล้วมันมันไม่ถูกต้องคือมันเห็นความเห็นซอบเห็นซอบกับเห็นทุกต้องคนละคากันนะเห <Dead. S 1> ็นซ่อมขณะเห็นซอบเนเห็นซอบใจบางท<ะ>ีอาจจะซอบกิเลสก็ได้บางทีอาจจะซอบใจก็ได้อันถูกต้องเนี่ยมันมันถูกและไม่ผิดย้ายมันถูกต้องตามกิเลสหรือมันถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้ า, ออาถ้าซอบก็มันซอบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าย้ายมันซอบใจทางที่ผิด